สมณะนักบวชสมณะคือผู้มีความสงบประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบสมณะเป็นผู้เห็นภายในทุกขในโทษ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงให้รู้เรื่องเป็นทุกข์เป็นโทษของความเป็นทุกข์เป็นโทษนั้นๆอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นโทษ นอกจากสิ่งที่มีในจิตใจและและและร่างกายของเราแล้วไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษแสดงความเป็นทุกข์เป็นโทษมันมีอยู่ในกายในใจของเรานี่สิ่งที่มีในใจก็คือจีเลตทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นเป็นโทษ <c oughs> ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีตันหาทั้งหลายก็ดีมันเป็นโทษโทษอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นโทษมีที่ไหนทุกข์มันย่อมมีขึ้นที่นั้นถ้าโทษมีในจิตใจของเรา สิ่งที่เป็นโทษมีในนั้นความเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนั้นที่นี่ใจกับกายกายกับใจมันต่อเนื่องกันอยู่ทุกที่มีในจิตใจทุกในที่มีในร่างกายมันจึงมีมันต่อเนื่องกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เรามารู้ในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ว่าทุกข์ทั้งหลายให้กำหนดรู้ทุกข์ในกายของเราก็ดีทุกข์ในใจของเราก็ดีให้รู้ <c oughs> เมื่อรู้แล้วให้พยายาม ละในสิ่งที่เป็นเหตุเหตุทั้งหลายที่ทําให้เกิดทุกข์อ น, นั้นพยายามละเหตุส่วนให้เกิดทุกข์อ น, นันได้แจกอารมณ์ของ จ, จิตใจที่เป็นฝ่ายกิเลสทั้งหลายนั่นเอง อารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความรำคาญโกรหยีดภายในจิตใจความดีใจความเสียใจไปตามโลกกระรทมทั้งหลายทั้งปวงหมดกระล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสทั้งนั้นเมื่ออารมณ์ประเภทนั้นมีน้อยมากภายในจิตใจมันก็มาขยาวกระเทือนจิตใจของเราอยู่วันยังคำ่ำ ฉะนั้นลักษณะความสงบ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ใช่อื่นไกลสติของเรามาดูจิตใจของเรามารู้ว่าความสั่นสะเทือนจิตใจของเราจากกิเลสตัณหานี้มันมีมากน้อยขนาดไหนแต่และวันแต่และเวลานั้นถ้าเราพยายามระงับอารมณ์ของกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านั้น มันสงบอยู่ด้วยสติของเราเป็นเครื่องระงับตามระลึกรู้สงบอยู่ด้วยพยายามการรักษาไม่สิ่งนั้นมีความฟุ้งซ่านขึ้นมาภายในใจิตใจก็ได้ชื่อว่าเราอยู่เพื่อความสงบเราทําเพื่อความสงบหรือว่าการประกอบความภา้าความเพียร เพื่อระงับความสงบสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอันนั้นให้มันสงบเมื่อเราพยายามอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ <c oughs> ยิ่งจะได้ชื่อว่า <c oughs> พวกเราเป็นส ม, มณะอยู่ในขอบเขตของความเป็นส ม, มณะคือความสงบกายสงบปาจาระสงบจากกิเลสตัณหา หรือว่าสงบใจนั่นเองฉะนั้นอารมณ์ส่วนนี้ต้องเอาปัจจุบันในเหตุปัจจุบันในผลขณะจิตอริยบทยืนเดินนั่งนอนเรานั่นแหละโดยเฉพาะในขณะ น, นี้ความสงบจากสิ่งเหล่านั้นมันก็มีอยู่แต่ยังไม่ <c oughs> เกิดความมั่นคงและหนักแน่นความสงบที่ว่านี้จึงอาศัยการสังรวมประกอบกระทำให้มีความหนักแน่นขึ้นด้วยการเพ่งสังรวมดูให้จิตใจมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่ว่าธรรมสมาธิ ในลักษณะส่วนนี้ <c oughs> ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเรานั่นแหละอาศัยความรู้เรานั่นแหละว่าเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเราไม่ปล่อยเหตุอันนั้นให้มันกำเลิบเสบสารขึ้นมาทำลายความสงบสุขภายในจิตใจของเราการรู้ตัวอยู่อย่างนี้รู้ เข้าใจอยู่อย่างนี้แล้วว่าปัญญาความรอบรู้ในเหตุในผลนั้นๆอยู่เพื่อความสงบเป็นสมณะอยู่การประกอบความภาคความเพียรตัวอย่างท <c oughs> ่านนี้ทำอย่างไงปฏิบัติอย่างไงนั่นเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยการศึกษาการได้ยินได้ฟังนั่น เป็นแนวทางว่าการรักษาเพื่อความสงบนั้นรักษาอย่างไงปฏิบัติอย่างไงอะไรมันสงบเมื่อมีความสงบเป็นไปในทางจิตใจแล้วมันเป็นอย่างไงอันนี้พวกเราควรจะได้ศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางว่าผลการกระทา เพื่อความสงบนั้นมันเป็นยังไงฉะนั้นฟังจากกูบาาจาร์ที่ท่านแนะนนำด้วยตัวท่านแดงก็ดีหรือฟังจากเสียงเทปที่บันทึกเอาไว้ซึ่งเป็นตัวแทนองค์ของกูบาาจาร์ก็ดีเป็นคติข้อคิดเป็นแนวทางที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ดีทั้งนั้น ฉะนั้นอาศัยหลักการนี้ <c oughs> อาต่อไปนั่งสมาธิฟังจากข้อปฏิบัติจากเสียงเทพ <c oughs> โอกาสต่อไปจะได้ปาลบธรรมเครื่องปฏิบัติสู่ฟัง การปาลบรมคือทบทวนในสิ่งที่พวกเราเข้าใจแล้วหรือสิ่งใดที่เรายังไม่ไเคยได้ยินได้ฟังเราจะได้เข้าใจสิ่งใดเข้าใจแล้วเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นหนักแน่น ยึดเอาธรรมข้อปฏิบัตินั้นมาเป็นเครื่องฝึกมาเป็นเครื่องปฏิบัติเช่นั้นการปารบธรรมเพื่อเป็นเครื่องปฏิบัติ <c oughs> ขอให้พวกเราทุกท่าน น้อมเข้าสู่กายกับใจของพวกเรานี้เป็นที่ตั้งทำสอนเพื่อความสงบเราก็ต้องดูความสงบของกายของใจของเรา ทำท่านสอนเพื่อความเรียบร้อยปราศจากพวกโทษเราก็ดูกายดูใจของเราทาที่ท่านสอนให้จิตใจของพวกเรามีความผ่องใสจิตใจจะได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศล แล้วก็ดูใจของเรานี้เป็นที่ตั้งเป็นที่ศึกษาทำแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และชื่อแต่และชื่อนั้นท่านพูดเรื่องกายเรื่องใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นสิ่งที่พวกเราควรจะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อย ก็คือเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่ทำมจึงเป็นเหตุให้ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยเพราะใจของเรายังมีความหลงอยู่ความหลงนี่จะพาให้เราลืมความลืมความหลงนี่ไม่ดี ฉะนั้นการได้ยินได้ฟังทางธรรมนี่เพื่อเป็นการแจ้ความหลงปลดเปื้องความหลงจึงเป็นของดีพวกเราต้องการปลราตนาความดีปลาตนาความสุขความเจริญก็ต้องโอปนญายกโน้อมเข้าสู่กายสู่ใจของเรานี่ <c oughs> น้อมเข้าสู่กายสู่ใจของเรานี่น้อมมาเพื่ออะไรน้อมมาเพื่อศึกษาน้อมเข้าไปเพื่อดูใจของเรานี้ตามความเป็นจริงแล้วมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นควรจะเลือกหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในจิตใจของเรา เป็นสิ่งที่ควรเลือกควรละควรเวนเป็นสิ่งที่ควรเลือกควรทิ้งและเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนบำลงขึ้นมันมีอยู่ในจิตใจของเราหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูในขณะนี้จิตใจของเรา เรารู้สึกมีความรู้สึกยังไงภายในจิตใจของเราในขณะนี้ทำท่านสอนเพื่อความสงบมันสงบไหมทำท่านสอนเพื่อความผ่องใสจิตใจของเรามันผ่องใสไหม ทำท่านสอนเพื่อให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็หนาดไหนเพียงหลทัทางนี้ท้งนั้นแล้วก็ดูอยู่ภายในดวงจิตดวงใจของเราเท่านั้นจึงจะรู้เพราะชื่อเหล่านี้ท่านสอนให้จิตใจของเราเป็นผู้ได้เป็นผู้ถึงเป็นผู้เป็นทั้งนั้น ถ้าจิตใจของเรายังไม่ถึงจิตใจของเรายังไม่ได้ก็แสดงว่าธรรมทั้งหลายนั้นยังไม่เข้าสู่จิตใจของเราเจิตใจของเรายังไม่เข้าหาธรรมยังไม่ถึงธรรมฉะนั้นเพื่อให้จิตใจของเราเข้าถึงธรรมเข้าหาธรรม บทภาวนา <c oughs> ท่านยังสอนให้เป็นการร่มจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นต้นว่าท่านให้กำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกท้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทางนั้น พอชีวิตจิตใจของเรานี่มันอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นไม่ได้อยู่กับเข้ากับของกับเงินกับทองอะไรไม่ได้อยู่กับเรือนชาบ้านช่องอะไรไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่กับสามีพัญญาบุตรธิดาอะไร ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี้อยู่กับลมหายใจเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเรื่องที่เราจะมาตรล่อมจิตใจเพื่อเข้าสู่ความสงบ <c oughs> ในขณะ น, นี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> พวกเราก็ได้ออกจาก เชหาสถานบ้านเรือนของเราวัตถุสมบัติภายนอกของเราเพื่อบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติตามเงื่อมผาป่าเขาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศล เพื่อให้จิตใจของเราเข้าสู่ธรรมจึงว่าให้อปัญญโกฟังแล้วทรรมเพื่อความสงบ <c oughs> ภายในจิตใจนี่เป็นธรรมอย่างเลิศอย่างประเสริฐเป็นความสุขอย่างเลิศอย่างประเสริฐ กันนั้นบรรดาความสุขที่บรรดาพวกเราทั้งหลายเคยได้รู้เคยได้เห็น <c oughs> เคยได้สัมผัส <c oughs> เคยได้เป็น <c oughs> เคยได้มาจากวัตถุสมบัติก็ดีอันนั้น <c oughs> มันเป็นปลายเหตุถ้าต้นเหตุคือจิตใจของเราไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่มีฐานความดีเป็นที่ตั้งแล้ว วัตถุสมบัติข้าวของเงินทองอันั้นก็ไม่สามารถที่จะอำเนื้อำนวยประโยชน์สุขให้พวกเราได้รับผลลับประโยชน์เท่าที่ควรฉะนั้นเพื่ อ, อย่างใจของเราให้มีความสงบสุขได้ชื่อว่าจิตใจนี้มีบุญมีกุศลเป็นพื้นฐานเราจึงมาฝึกจิตใจของเราให้ เข้าสู่ความสงบเอาไว้ให้เป็นฐานที่ตั้งแห่งสมบัติจิตใจเข้าสู่ความสงบด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนี่เป็นอุบายอันแยบคายอุบายอันแยบคายยังไง จิตใจของเราก็พูดแล้วว่าถ้าเพื่อเราไม่ได้เลือกคัดจัดสรรแล้วไม่ได้ศึกษาแล้วจิตใจของเรานี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้เราเลือกเฟ้นละอยู่ในตรงนั้นบางครั้งบางคราวดูแิว่าความทุกข์ใจมีความฟุ้งซ่านในจิตใจมีความรำคาญในจิตใจมี ความเป็นทุกข์ในจิตใจมีจนได้ชื่อว่าอารมณ์เครียดวุ่นวายภายในจิตใจก็ควนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรเลิกควรละทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อจิตใจตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้ <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าจิตใจของเรา <c oughs> นี่ควรจะหลีกจากสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจน้อยมากทำให้จิตใจของเราหมดจากคุณภาพคือความดีความสุขความเจริญฉังนั้นอุ บ, บายที่จะตรลอมให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบสุขเพื่อให้จิตใจของเราได้เลิกได้ละจากอารมณ์ความเป็นทุกข์ไม่ มีความสงบสุขภายในจิตใจนั่นอุบายอันแยบคายต้องมาดูลมหายใจเปลี่ยนวิถีจิตใจของเราออกจากเรื่องต่างๆออกจากความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆเข้ามาดูจิตเข้ามาดูลมหายใจดูจิตดูใจใจของเราในขณนะนี้ก็มีอยู่ ดูลมหายใจของเราในขณะ น, นี้ก็มีอยู่ลมนี้ไม่ได้ทุกข์อะไรลมนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรลมนี้ <c oughs> <c oughs> เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความรักเขาไม่ได้มีความชัง เขาไม่ได้มีความโมโหโทโสก็ไม่ได้มีความโลภก็ไม่ได้มีความโกรธความหลงอะไรลมพังอยู่ <c oughs> พวกเรามีความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องบอกลักษณะชีวิตความเป็นอยู่เพื่อปรรเทาความโลภความโกรธความหลงที่มีในดวงจิตดวงใจ ต้องมากำนอ ด, ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในลมอันนี้เพื่อให้จิตใจของเราพ่ <c oughs> อนคลายจากอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษคือความโลภความโกรธความหลงอันนั้นให้จิตใจของเรามันละมันเลิก ความโลภความโกรธความหลงอันนั้นมันเบาบางลงฉะนั้นเมื่อมากำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเอาลมนี่เป็นเครื่องแตง่งแต่งใจของเราลมหายใจเข้ามีความสบาย <c oughs> แล้วก็ทําดวงจิตดวงใจของเราให้มีความสบายขึ้นด้วย ลมหายใจออกมีความสบายก็ทําให้ดวงจิตก็ทําดวงจิตดวงใจของเรามีความสบายด้วยในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฝึกจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบสุขให้มีความสบายภายในดวงจิตดวงใจนั่นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทำสมาธิจิต ด้วยกำหนดอาณาปานุตตรติ <c oughs> กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกท่านก็ว่าแล้วนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรากำหนดดูลมหายใจนี่เป็นอุบายจะรู้ชีวิตจิตใจของเราด้วยว่าชีวิตจิตใจของเรานี่ <c oughs> ถ้าเผื่อลมนี่หยุด ในจังหวะใดจังหวะเนืองคือเข้าไปแล้วไม่ออกหรือออกไปแล้วไม่เข้ามาแล้วก็จบเพียงแค่นั้นชีวิตของเราดัง <c oughs> นั้นในเมื่อมีลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกก็ดอูอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเราเราก็มารู้ว่าเนื่องอยู่ด้วยลมอันนี้ ลมอันนี้แหละพ <c oughs> ระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะได้ตรัตตูลเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นจารดาเอกของโลกพระองค์ก็ได้มากําหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนี่เป็นที่ตั้งของพระจิตจนพระจิตของพระองค์ท่านเข้าสู่สมาธิคือความสงบแนว่ว อยู่เฉพาะพระจิตอันเดียวพระจิตของพระ อ, องค์ท่านก็มีความแจ่มใสมีความผ่องใสเกิดยานเกิดฌานความรู้ถึงซึ่งความสุขอันเลิศอันประเสริฐหรือว่าเข้าถึงซึ่งบุญกุศลอย่างสมบูรณ์ <c oughs> หรือว่ารวมบุญรวมกุศลอย่างสมบูรณ์มีพลังให้พระองค์ท่านได้ปินิดพิจารณาต่อไปจนได้ชำละจิเลตอาสวะออกจากพระไทยของรปองค์ท่านฉะนั้นบรรดาพวกเราทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เรามีครูมีอาจารย์มีศาสตดาเอกของโลก สอนเพื่อให้เข้าสู่สมบัติอันเลิศอันประเสริฐแล้วแนวทางอันนั้นสมบัติอันเลิศอันประเสริฐนั้นมีอยู่ทุกโอกาสการเวลาแล้วธีฝึกการฝึกสิ่งที่ฝึกก็มีอยู่กับพวกเราด้วยฉะนั้นโอปนายโกน้อมเข้าสู่กายน้อมเข้าสู่ใจของเรา ที่พวกเราต้องการบุญต้องการกุศลต้องการสมบัติอันเลิศอันประเสริฐคือความสงบสุขภายในจิตใจคือความดีที่เกิดขึ้นก <c oughs> ารจิตใจแบบธรรมชาติหรือบุญกุศลที่พวกเราแสวงหาที่จะเกิดขึ้นการจิตใจแบบธรรมชาติจึงไม่ได้ เพนห่างจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราท้งนี้ทางนั้นถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจถ้าพวกเราไม่เข้าใจว่าสมบัติอันประเสริฐหรือความสุขความเจริญความจุกความดีอันประเสริฐนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงปฏิบัติให้เกิดให้มี เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้อยู่ทุกขณะจิตถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาสมบัติอันเลิศอันะเสริดอันนี้พวกเราก็ไม่มีทางที่จะได้พวกเราก็ไม่มีไม่มีทางที่จะถึงเพราะพวกเรายังแสวงหาสมบัติภายนอกอยู่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของประจัยทั้งสี่เครื่องอุปโภคบริโภค พวกเราก็ไปยินดีพอใจแต่วัตถุสมบัติอันนั้นอยู่ยิงที่พวกเรายินดีในวัตถุสมบัติอันนั้นก็เพาะพวกเราเห็นคุณค่าจากวัตถุสมบัติเข้าของเงินทองอันนั้น <c oughs> พวกเราเห็นคุณค่าก็ให้พวกเราเข้าใจอีกทีหนึงว่าวัตถุเข้าของเงินทองหรือชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ มีความสุขกายสบายใจก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพราะบุญเพราะกุศลของเราที่ได้บำเพ็ญมาแล้วัึงแต่อดีชาติมาพบนชาตินี้พวกเราก็ได้มาเสวยมารับผลความดีอันนั้นตัางหากถ้าเพื่อพวกเราไม่ได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้เกิดความประมาทมันจะประมาทตรงที่ว่า <c oughs> วัตถุสมบัติอันนี้ น่าเจริญเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอารมณ์นี้ทำให้พวกเรามีความร่วมหลงอยู่ฉะนั้นจึงเกิดความประมาท ถ, ถ้าพวกเราไม่ได้มาตรัะรับฟังโอวาทธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความประมาทแน่ๆเพื่อการความประมาทอันนี้แลพวกเราทั้งหลายจึงนึกถึง วัดนึกถึงการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากสถานที่ประพฤติปฏิบัติแนวทางศีลสมาธิปัญญานี้เพื่อเป็นการกลอมเก่าจิตนิสัยของพวกเราให้เข้าสู่ความเป็นสุดเป็นศีลเป็นธรรมภายในจิตใจของเราความเป็นศีลเป็นธรรมันนี่แล จะเป็นแสงสว่างทําให้จิตใจของเรานึกถึงเหตุนึกถึงผลนึกถึงต้นนึกถึงปลายว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานี้แท้ที่จริงแล้วอาศัยบุญอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่ <c oughs> <c oughs> เมื่อพวกเรามาพินิจพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ดูว่าบุญกุศลที่พวกเราอาศัยอยู่ในภพนี้ชาตินี้ชีวิตนี้ สุขภาพร่างกายของเรานี่อาศัยมากี่เดือนกี่วันกี่ปีมาแล้วความจริงแล้วอาศัยเข้าไปมากเดือนมากปีเท่าไหร่ชีวิตร่างกายของพวกเรานี่สุขภาพร่างกายของเรานี่นับแต่วันที่จะหมดไปหมดไปไม่ใช่หรือถ้าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วพวกเราก็จะไม่รู้ว่าสังขารร่างกายของพวกเรานี่ มันเป็นไปเพื่อความเท่าความแจอยู่ไปเท่าไรก็แจไปเท่านั้นไม่ใช่หรืออยู่ไปเท่าไรก็เท่าไปเท่านั้นไม่ใช่หรือไม่ใช่เป็นของดิบของดีอะไรเลยอยู่มากปีมากเดือนมากปีไปเท่าไรเท่าไปเท่าไรแจกไปเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์ความทรมานไม่ใช่หรือนั่นเห็นไหมถ้าพวกเร า, มาไม่พิ น, นิจพิจรารณา พวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเกิดความประมาทแน่ๆว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่แต่ละวันแต่ละวันไม่เคยนึกหรือว่านึกถึงความเจนนี่ไม่เคยนึกไม่เคยนึกถึงความพัดภาคจากสมบัติสิ่งของนี่พวกเราก็ไม่เคยนึกนั่นความไม่เคยนึกนี่แหละก็แสดงว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาตามความเป็นจริง แท่ที่จริงแล้วจะนึกไม่นึกก็าตามเราควรจะได้มาได้ยินได้ฟังเอาไว้อยู่มากเดือนมากปีไปเท่าไหร่นั้นก็ยิ่งจะเพิ่มความเท่าความแย่า้ามาหาเรายิ่งจะเพิ่มความทุกข์ความยากความลาบาก้ามาหาเราจรึงไม่ไม่ใช่เป็นของที่ดีอะไรเลยฉะนั้นการศึกษานี่จึงเป็นการเตือนเตือนจิตเตือนใจของเราไว้ ม่จะว่าอยู่ไปนานๆจะไม่ใช่เป็นของดิบของดีอะไรหรอกเมื่อพวกเรามาพินิจพิจารณาตามสะาวะความเป็นจริงเรื่องของกายของใจอย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดกำลังกาลังใจของเรากำลังสติของเรากำลังปัญญาของเรานั่นแหละว่าสิ่งใดที่พวกเราปราถนาอยู่ <c oughs> สิ่งใดพวกเราต้องการอยู่ สิงได้พวกเรามีความหวังอยู่เราจะได้สร้างสิ่งนั้นให้เกิดสมหวังภายในจิตใจของเราเราชินเห็นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงข อ, อุตติไวเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน